ที่จะได้ฟังธรรมเทศนามันยากอยู่เหมือนกันเรื่องเรานั่งคุยกันนั่นน่ะไปอยู่บนไหนบนไหนก็พากันคุยกันได้หรอกอยู่ในบ้านในเรือนก็นคุยได้อยู่ในป่าในรบก็แน่ก็คุยกันได้คุยไม่เป็นเรื่องเป็นราวน้ําท่วมทงบนรานท่นว่าน้ําท่วมทง ไม่ได้ผลในประโยชน์ีหยังการฟังธรรมเทศนาฟังเพื่อหาของจริงฟังหาธรรมะไปว่าปฏิบัติโมเมนฟังมวนฟังซึนให้เพิดเพลินใรุ่มหลงฟังหาฟังหาพอจริงที่เราปฏิบัติธรรมะกับปฏิบัติหาของจริง เรปฏิบัติพุทธศาสตร์เราฟังเทศทำคําสอนพระเจ้ากับเพื่อหาของจริงถ้าถึงของจริงแล้วลืมคือมันลืมคั่มหลงคว่วเมาคว่วหลงคว่วเมาหายไปถ้าไปถึงของจริงแล้วนั้นมีตั้งแต่คว่วหลงคั่วมเมาเพาะนั้นการฟังเทศจึงมาเป็นของยาก ที่จะฟังมเมื่อเวลาฟังเทศในตั้งออกตั้งใจทําความสงบตั้งใจฟังโดยเฉพาะคิดเทศมาแล้วพูดถึงเรื่องธรรมเป็นหมวดเป็นโง่มาโดยลําดับว่าถึงเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมว่าถึงเรื่องขันหะลูก เวทนาสัญญาสังขานยินยานมาถึงเรื่องอายุตระ อ, อ, อายนตนะภายในภริตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อธิบายมาเป็นลำดับหลายวันพระมาแล้วแต่ที่ที่อธิบายมาเป็นลำดับนั่นน่ะว่าตั้งแต่ธาตุสี่มาถึงอายุตนะ ใกล้ๆกันก็น ว, ว่ามันมีเรื่องยืดยาวขยายออกไปกว้างขวางความเป็นจริงนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องยืดยาวยั้งหรอกพูดใกล้ๆนีนะพูดในที่เดียวนี่แหละไ่ได้พูดที่อื่นที่ไกลหอกพูดที่เดียวอยู่ที่เ<ม>ดียวที่เก่านี่นหะย่างแล้วอยู่ในฉลานี่ยนะพูดถึงเรื่องฉลานี่นะ วันนี้พูดถึงเรื่องต้นเสาวันหลังพูดถึงเรื่องขางเรื่องตรงวันหลังมาพูดถึงเรื่องข้าวเรื่องก่อนก็ถึงเรื่องหลังขาวันหลังมาพูดถึงเรื่องขวากัน้นประตูหน้าต่างมันเป็่อนท่านไ้นที่พ่อเปนะนั่นโดลืมจ้ะอันคนฟังบมเป็นเลยลืม เข้าใจว่าที่อื่นพูดที่อื่นไม่ใช่พูดถึงเรื่องทลาอันที่ว่าถึงเรื่องธาตุก็ลองคิดดูสิธาตุสี่มันอยู่บนไดหล่อธาตุสี่มันก็คือดินน้ำไฟลหะคือตัวของเราที่ท่นอธิบายเงี่ย ว, ว่าให้เห็นเป็นอาการคืออาการาการิศสองแต่ไม่ใช่อื่นไกลแต่อันเดียวนี่แหละคือ ผมขนเล็บค้านหนังนเองกะดูกเป็นต้นว่าทั้งเรื่องขันหางกับว่าทั้งเรื่องธาตุสี่ตัวนี้ ล, ลูกไม่จะไปจากใสแล้วก็ไปจากขันหางก็บขันหาง ก, ก็คือลูกออกมาจากธาตุสี่ตัวที่เราจะใสเวทนาสัญญาณแงขานความเจ็บเรียกว่าทุก ข, ขเวทนาความสุขสบายเรียกว่าสุ ข, ขเวทนาความเฉยเฉยเรียกรูปเกลี ข, ขาเวทน า, า ก, ากานาานา็อยู่ที่ตัวของเรา ต้นไม่มันจะมีเวทนาอย่างนั้นแต่ภูเขาก้อนอิฐมันนั้นมันจะเป็นมีเวทนาไม่ใจเวทนาก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ีพูดถึงเรื่องเวทนามันก็อยู่ที่ตัวของเราเสัญญาคือจดจํากับตัวของเรานี่ยเป็นคนจําจดจําสังขารความคิดความนึกความปรุคงความแต่งก็คือตัวของเราเนี่เป็นคนคิดเนึกปรุงแต่ง <c oughs> ยินยางความรู้สึกร้อนหนาว ทางตามันก็ับขึ้นตัวของเราเนี่เป็นคนรู้สึกแต่ไม่ใช่ร้อนที่อื่นหนาวที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเนี่นเราคิดจิต ด, ดูสิอันที่พูดพูดไปไม่ใช่พูดที่อื่นไกลได้อยายตนะทางหกคือตาหูจมูกลิ้นกายก็มาพูดที่ตาก็คือดินนั่นแหละหูก็ดินนั่นแหะจมูกลิ้นกายก็คือดินน่นใจก็คือเพรใจก็เกิดที่เป็น อ, อยู่ที่ตัวของเราเ ถึงจะถึงอธิบายฝฟังว่าธาตุสี่นะเป็นฐานของธรรมะเป็นมูลฐานคือเป็นที่ตั้งถ้าหากไม่มีธาตุสี่ก็ไม่มีที่ตั้งเราจะตั้งธรรมความสงบคือหัด ส, สมาถแล้วก็ตั้งลงที่ธาต<ม>ุสี่คือเราพิจารณาถึงตัวของเรานี่แหละ เห็นอสินจจงทุกขั้งหน้าตาเลยเห็นอสุภะปฏิกูล <c oughs> เห็นกองทุกทั้งหลายก็ตั้งลงที่ธาตุสี่พิจารณาตรงนี้ก็ไม่ได้หนีจากนี้ไม่ได้อื่นไกลจากนี้เราจะพิจารณาวิปัสสนาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาที่อื่นวิปัสสนาเนียคือเห็นไอสิ น, นจจงทุกครั้งหน้าตาก็ไม่เห็นที่กายคือธาตุสี่นี่เอง เนี่ยเป็นสี่ในเรื่องมันและถ้าหากไม่เข้าใจทั้งเรื่องหัวนี้เลยไม่คิดพิดจรารณาเข้าใจว่าอยู่ในที่อื่นธรรมะในที่อื่นอยู่ในที่อื่นเจไม่เห็นว่าธรรมะอยู่ที่ตัวของตนถ้าหากพิจารณาตามที่อธิบายเนี่ยธรรมะตัวของเราเป็นธรรมะทั้งตัวเป็นก้อนธรรมะทั้งตัวเลย ธรรมะทั้งนั้นแต่เราไม่พิจารณาก็เลยไม่เห็นธรรมะก็เลยไม่รู้จักธรรมะถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เห็นมิปัจจเห็นธรรมะเกิดตรงนี้เราแบกทำไปทางไหนก็แบกธรรมะไปสมมุติเราแบกคำพีก็เถอะไปทางไหนก็แบกคําพีไปขึ้นเหนือลองใตไ้ไปไกลไปไกลแบกคําพีไป แต่บวออ่านคำพีจะเดือดเรียกว่าคำพี์เป่าจ้ะพระพุทธเจ้าวันเทศธนาว่าคำภีร์เป่าคือมันเป่าจากประโยชน์คืออ่านบวได้คือว่าพิจารณาบวออ่านบวพิจารณาก็เรียกว่าคำพี์เป่าความจริงทำก็ทำคำสองพระเจ้าบรรจุในนั้นวัดในจัวของเรา อย่างนี้ที่ฟังเทศกับมาัตอ่านคำภีรนั่นดิมหัตอ่านคำภี์ให้มันออกนะให้รู้คำภีรู้นเนื้อกลวงของพระธรรมคำพี น, นั่นถ้าพอรู้เนื้อกลวงของำำพระธรรมคมภีนั่นแล้วเราจะได้กลวงปึ้มตีตีอิ่มอกกินใจโถโถโถคำพีมันอยู่นี่ง่ายเพื่อเลิคคำภีอันนี้ความีจิตพิสดารในคำภีร ที่ตัวของเรานี่ยเลือที่จะขนานานักเลือที่จะขนาดคุณค่าประโยชน์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่ตัวขอเรานี่นี่นะัดอ่านคำพีที่อธิบายนี่ก็เพื่อให้อ่านคำพีออกนั่นแหละครา น, นี้เป็นอย่างพระพุทธเจ้ายังไปแยกงจำเยียแก้จ่งงยจจายออกไปกล้องของพิจารณาแทนมีอยู่อย่างนี้เรื่อง่ คนเราเกิดขึ้นมาพราะป้ากดเกิดขึ้นมานะมันมีความสมมุติป้าโกดขึ้นมาเลยเอาสมมุติว่าคนเราเกิดขึ้นมาทุกคนอะหากบ่มีคนจะให้ชื่อซะบ่กชื่อว่านางคานางแก้วนางคําก็ตามเด้อข้าวแก้วข้าคําก็ตา่างเถอะบ่มีคนเรียกแค่คนละ่ะ ให้คิดๆลองนึกคิดอย่างนี้แหละลองรับตาคิดลองดูหรือว่าเรียกว่าคนล่ะมันจะเป็นนี่อย่างลรฮะมันเป็นตัวอย่างลรหรือจะเรียกว่าตัวหนอนกับเขามีชื่อเลยนะคำว่าตัวหนอนเนี่ยมีชื่ออะไรฮะหรือจะเรียกว่างัวว่าควายมันกับเป็นมีชื่อขึ้นมาลแล้วฮะอาจจะเรียกอย่างนั้นกันฮมันไม่มีอย่างหนึ แจ้งไม่นีอยังบุหรือหากีบว่าตัวคอลอแคลแลมมันก็กลับเป็นชื่อขึ้นมาอีกแล้วนั่นแ่ะของเดิมแท้ๆมันบ่มีอยังต่อกบ่มีอย่งแต่งเห็นงู ก, กันได้ว่าอันนั้นเน่ะเป็นอันหนึ่งละเกิดขึ้นมาข่าวนี้มันมาติดอย่างคำที่ว่าคนนะ มันสมมติว่าคนนล้วก็เลยถือว่าคนจริงๆอย่างจังนัง่นเป็นเรื่องอันบนจนตรงที่มันจะติดทั้งเข้าหาว่าชัดกเ็เลยบุพเพจไปแล้วเลยเครียดโกรธใหญ่ตัก็เพาะเรามาติดชื่อว่าคนนั่นแหะสมมติว่าคนนั้น่ะทั้งเขาเรียกว่าชัดชัดก็เลยบุพเใจหรือเป็นเรื่องเหิดให้เกิดกิเลสนะกิเลสมันเกิดจากสมมติมันเกิดอย่างจี หากว่าเขาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชาย้วเขานี้ถ้าเรียกตรงกันข้ Jazz Coconut Presiding ามด้วยกลับกันเสียแล้วก็ไม่พอใจอีกะหรือหรือเขาเรียกว่าหระว่าเนนกระตามหรือไม่เท้าไม่ชีกระสางแล้วเขาเรียกว่าพ่อว่าแม่อะสิกระตามว่าลูกว่าหลานนั่นสิกระสางถ้าหากเขาเรียกผิดอย่างนั้นแหละเขาเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นโกรธเป็นโกธาขึ้นมาเนี่ยตรงฐานต้อเป็นกิเลสขึ้นมา มันเป็นสีแหลเรื่องสมุดเรื่องสมุติมากเท่าในกิเลส ย, ยังมากขาเข่านั้นเพราะความสมุติเป็นต้นเหตุของกิเลสให้ยืดยาวกว้างขวางใหญ่โตทั้ดทางและไม่พูดใดที่มาจําแนกแจกจ่ายเรื่องวนี้ให้มันหมดแจะจากสมมุดบรรยา จ, จากสมุดทั้งหมดบ่มี ผู้ใดผู้ใดก็ม like, ีแต่จะเพิ่มเติมสมมติมัญญัติขึ้นเป็นคนธรรมดาก็ยังบดแล้วยังเรียกข้าวกอนางขอนี่เพิ่มไปอีกเลยยังเรียกผู้หญิงผู้ชายเพิ่มาไปอีกเรียกพระเรียกสงเรียกแม่ข่าวแม่จีเพิ่มไปอีกล่ะยังเพิ่มเติมยศถาบรรดาสเกียรติ์ยศเกียรติ์ยศชื่อเสียงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ โน้นไฟใหญ่ไปโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคูนขึ้นพูนพูทั้งกองกิเลสนะพูนท่วมตัวเอาเลยฉะนั้นจึงว่าเรื่องส ม, มุตินั้นไม่มีทางที่จะหมดไม่มีทางที่จะเข้าถึงของจริงและไม่มีหนทางที่จะแก้ไขตนได้ว่ามีทางที่จะเข้าถึงของจริงก็มีตั้งแต่ที่จะพบ ปูนก อ, องทิเรียขึ้นมาความเดือดร้อนนวลไหวเกิดขึ้นมากหมายถึงเพราะทิ่เลียกทั้งหลายเหล่านี้จากสมุทธร น, นถ้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจึงเทศนากรรมกันคือกลับให้เข้าถึงของจริงตามเดิมของจริงตามเดิมนั่นคื อ, อยังไงอรถ้าหากมันครอบคูนมากเครื่องแรกกับจำเป็นก็จะต้อง หาวิธีแก้ไขมากสุวนกันอย่างถือตาตาประตาของกูละ่ะหูกูละจมูกเลี้ยงกายของกูละอันถือว่าตาเราถ้าเขาถือตานี่ท่านก็นมาแสด ง, งดว่าพวแม่งตาดอกท่านเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกเลี้ยงกายนี่เป็นอายตนะ พระองค์เทศนาครับเพื่อให้ลืมเขาว่าตาหูจมกูกถ้าว่าตาแล้วก็ถือว่าตาจริงๆริงจังๆเลยเนื้นอเยื่อถือว่าตาเราเห็นหูเราได้ยินเนื้กันยี่หรอเนี่ยเขาันจริงจังเลยอันนี้นพระเดจเจ้าท่านสอนท่านพระองค์ท่านแก้ท่านบรญญัติใหม่แล้วคับบรรยัญญติก็สมมุติจะคิดกัน สมมุตินั่นแเราก็พากันเข้าใจายอยู่แล้วว่าสมมุติบุญเป็นของจริงแจ้งว่าเขาสมมติให้เป็นเท่าเอกพระเอกอยังอะไรต่างเพราะเขาเล่นโขนเลนดีเกลเล่นละครเขาพระเอกนางเอกนั่นอันนั้นเรียกว่าสมมติบุญเป็นด็กเป็นพระเอกอยี่หรือหลือบุญเป็นนางเอกอยี่หรดอกเขาเรียกว่าสมมติการคืน อันนั้นมันบ่าจริงสิเรื่องสมุดงานให้รู้จักลักษณะของการสมุดเบราะมันของจริงอันของบ่าจริงนั่นดีแล้วเดี๋ยนี้เราไปยึดจะเป็นของจริงกันที่เรื่องมสายใหญ่เรื่องมันจะ ใ, ใ, ให้เกิดให้เกิดเกลีมากๆอันนี้ว่าเรื่องบัญญัติพานพุทธเจ้าท่านเกท่านบัญญัติคือบัญญัติจะเป็นการยืมยืมมาพูดชั่วคราวบัญญัติคือไหน แต่งตั้งให้มันขยายเนือ้อความมันน่ะให้ขยายสมมุติให้มาให้มามีความหมายให้เข้าใจกันชัดขึ้นให้เข้าใจชัดถึงของจริงจึงเรียกว่าบรญญัติท่านว่าทำให้มันตื้นทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเรียกว่าเปิดเผยและไขขึ้นมาไขเข้าไปหาของจริงนี่น อย่างเขาพูดได้แจวท่านบัญญัติว่าอายตนะถ้าหากเราพูดว่าอายตนะสะเราคิดคิดดูดีใจของเราก็ว่าตานี่เราคิดกันไลยถ้าหากถือว่าตาแล้วก็ว่าถื อ, อทักถึงแอร์แทนท่านท่าหากก็าอายตนะอีไพูดถึงเรื่องอายตนะเลยหมายความว่าสิ่งที่มันต่อเนื่องกัน คึอตากับลูกมันต่อเนื่องกันนึกตานี่แหละเรียกว่าไอเจตไอาจตระอาจคือตานี่แหละมันเป็นที่ตั้งมันเป็นบอ่อเกิดของการเห็นลูกบอ่อเกิดที่ให้เกิดลูกถ้าบ่มีตาแล้วลูกออกบบ็บ่ปาดก่อนพรพุทธเจ้าทั้งสอนนี้ให้พิจาณาให้เห็นนะจ๊ะเห็นว่าอันนี้เป็นบอ่อเกิดเป็นบอ่อเกิด ของลูปลูปมันเกิดจากตานหรืออีกแน่นหนึ่งท่านสมมติทับของเก่านั่นแหละเรียกว่าอีกซีช่คือมันทำหน้าที่ของมันโดยเฉพาะคนเดินจะมาใช้แทนนบุได้มาทำงานแทนนบุได้เลยอันเรื่องควมเห็นแล้วมีตาท่านนั่นแ่ะคนเดียวทำงานเห็นหูนี่ไงเอาตาไปดูให้กับไปเล หน้าที่มันมีสำหรับฟังเจ้าตาไปฟังบ่ได้พวกองค์ยังเรียกว่าอาจะแต่ไอ้เจเรียกว่าอรีย์ยยยยยยคือมันทําหน้าที่เป็นใหญ่ของในหน้าที่ทงนั้นๆถ้าเปลี่ยนแทนกันบ่ได้คําว่าหน้าที่หน้าที่พรกิติพันเข้าใจเล้ว่ะ หน้าที่พอ่อหน้าที่แม่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำ น, นันจะต้องบริหารปกปักรักษาลูกบ้านของตนนในหน้าที่ก็จะเป็นเส้นอะไรนะตลอดทั้งเรื่องหน้าที่ในอำเภอคุ้มครองบริหารในอำเภอของตนความเป็นใหญ่ในหน้าที่ ที่เรียกว่าอินีย์มันคิจากสมมติว่าทั้งเรื่องขวงเจว่าทั้งเรื่องการเก๊ค่อยแก้มาตั้งแต่ส่วนมากคือมันมากมนแล้วมันอยู่งมากเล้สมมติไปมากหมายร้องหลายแล้วก็แก้มาตาหูจมูกลิ้นกายที่เราสมมติกัน เจลงมาให้มันเป็นอินทรีย์ค่ะนี่ให้มันเป็นอายตนะสมมุติให้เป็นให้บัญญัติให้เป็น อ, ญญ า, อายตนะให้เป็นอินทรีย์มีความหมายดังอธิบายมานั้นคําที่เรามาพิจารณาให้เป็นอินทรีย์ได้ให้เป็นอายตนะลองคิดดูนะครับที่เราสมมติเราเป็นตาหูจมกูกผิดกันนีมความยึด ถือนั่นผิดกันมากอินทรีย์หรืออายตนาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตาไม่ได้ถือว่าเป็นตาเป็นหูใชห ม, มันลดลงไปแล้วคำว่าถือว่าตาว่าหูลดไปแล้วก็แก้ต่างไม้อีกมาบรญญตัติถ้าพู ด, ดยาทๆถึงบรญยัตห้เป็นขันไม่ได้ถือว่าตัวว่าตนในขานนี่ถือเป็นขันถือว่ารูปขัน เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ทั้งขาและขันธ์วิญญาณนะคระับเทศีแรกนั้นเราถือว่าตัวของเราขันธ์นี้เป็นตัวของเราทั้งหมดเช่นว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยได้รูปได้ตัวนี่ได้ส่วนตัวนีถือว่าเป็นตัวเป็นว่าตน ว, ว, ว, ว่าคนว่าเรามีอันไดก็วบบของเราทั้งหมด เช่นมีลูกเกิดขึ้นมามีหูหัวหูของเรามีตาหัวตาของเรามีจมูกหัวจมูกของเราตนตัวไว้จะทวาว ท, ทั้งหมดเป็นตัวของเราอันการที่ถือเป็นตัวของเรามีหละจะต้องหามาสิ่งต่างๆมาบำลุงบำเลอสนับสนุนให้มันเป็นไ ป, น ป, นปนตามความปรารถนาที่ต้องการ คือว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราแล้วนะจะให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบำรุงมอมเลยตาอย่างนี้ก็อยากจะบำรุงให้มันเห็นได้สิ่งที่ดีงามหูไปได้ยินได้ฟังได้ฟังได้เสียงที่มันมวนมันเพล่จะโมก็ให้มันได้ดมได้กลิ่นที่มันหอมหวานให้ลื่นเริงใจให้มันเพลิดเพลินสนุกอยู่ อย่างนี้เป็นตนถ้าถือว่าเป็นเราแล้วมันไอย่างไงเนี่ยมันเลยยืดยาวไปถ้าหากถือเป็นสักจะว่าขันเมื่อถือว่าเป็นตัวเป็นตนรูปก็สักแจะว่ารูปเวทนาก็สักจะว่าเวทนาทั้งายาสั้งขานนี่ยังไม่ใช่เราทั้งนั้นมันเป็นขันนั่นแหละ ริดรอนลงไปหมดอันคว่ำถือได้ก่อนน่ะหมดไปหมดไปริดรอ น, นมากระทั่งตัวคนเราเนะี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นตนไม่ถือว่าเป็นคนไม่สมมุติว่าคนลนะ่ะหรือหญิงชายอย่างที่ฝายฝังงบนตนไม่ได้สมมติอย่างนั้นมาพิจารณาตามบัญญัตที่พระเถรเจ้าบัญญัติเรียกว่าธาตุสี่ยิ่ง ยิ่งชัดตรงสันคาวธาตุสี่เลยทีชัดทีเดียวตัวคนไม่มีอะไรเลยทั้งหมดมีธาตุสี่แท้ๆทีเดียวธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมใครจะเอากระดับดินน้ำไฟลมลองคิดดูดีะที่ดินไม่ได้แผเป็นเอาอย่างกระดับไฟยังยังไปงแสงน้ำแฝงยังไปงแสงไฟแฝยังไปงแสงลงม น, นะครับไอ ย, ยังไปแงแสง คิดดินนโดยเฉพาะนี่ยบ่แ ม, ม้ดินที่เขาปั้นเป็นลูกเป็นก้อนเนี่ยจนี้ว่าถึงแม้ดินแท้ในดินเดิมดินสภาพของมันได้แค่ผู้ใดได้ของเน่าของทกขกกก็จะไปทิ้มลงดินปุจจาระพัสวะก็ไปทิ่มลงดิ น, ข อ, นของเน่าของเหม็นก็ไปฝังลงในกิดินนั่น ตัวนักตายเป็ดไก่ตายมมไอะไรยังตายก็ตามผูกคนตายเราฟังนักดิะถ้าหากเรามาพิจารณาดวงเราเป็นก้อนดินแห้งชัด่ อ, อไปหรือเป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งแห้งชัดออไปแผ่นดินแผ่นนี้นั่นฟังกูฟ้าฟังเป็ด ฟังไก่ฟังหมูฟังงัวฟังควายลงไปในที่ฟังลงไปในนี้เพราะฟังอยู่ทุกวันบ่าม่ไดเทนัฟังกระทั่งนึงพักมีกี่ใบพักแพงแงตงเก้าเขา้าโพ่อสลีฟังเข้าไปนี่หมดฟังลงค์กรดินฟังองคแผ่นดินมีข้อหน้นหาหากเราพิจารณาทีนี้ ตัวคนบ่มีนะครับแงชาติลงไปด่เวทนาไอ้ดินแล้วกันคราวนี้ก็มีน้ำนะครับนี่น้ำแล้วก็เอากรอกลงไปเอาเทลงไปทุกวันทุกวันซึมซาบอยู่ในตนัวตนของเราในแผน่นดินแผ่นนี้น้ำกับดินได้อยู่ด้วยกันซึมซาบด้วยกันไฟก็อยู่ในนั้นลงมา คนมันหายไปแล้วนี้เข้าถึงของจริงเข้าถึงห้องเดิมบรญญัติจริงว่ามันไม่สะสมกิเลสแล้วพระเจ่าท่านบัญญัติเพื่อจะให้ทอดทิมเพื่อให้สละกองกิเลสความลุ่มหลงมัวเม า, เ ม, าเมื่อเข้าใจเรงของจริงอย่างนี้แล้วมันก็เรื่องบรญญัติเข้าถึงบรญญัติอย่างนี้ ก็หมดไปทั้งความนี้แดีวนะถ้าหากว่ามีปัญญาพิจารนาถึงปัญญาอภิสนากระจัดกระจายเรื่องทั้งหลายเรนนี้เห็นความเกิดความดับบอเมนยังธาตุดินกับบอเมนเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปคนกับบอเมธาตุกับมีเมขั้นกับบอเมอายตนะณรกู เห็นแต่สิ่งอันหนึ่งสักจะว่าเกิดแล้วกระดับดังอธิบายฟังเปเบื้องต้นปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นมาห์ใชคนก็บอเรียกว่าคนล่ะมนุษย์ก็บอเรียกว่ามนุษย์บัญญัติก็บอต้องพูดกันละพันธาตุขันะเรียกว่าที่บัญญัติมันบุต้องพูดกันล่ะที่พระเจ้าท่านบัญญัติเหยืมมาบัญญัติชั่วข่าวสําหรับที่จะได้มาเอามาคิดคนทวม ทั่วทบทชวนเขาไปหาถึงหลักของจริงเถอะนาเรื่องนั้นตรงนี้ธรรมะข้าสอนผู้ได้เจ้านั้นเป็นเรื่องชำรักษ์เป็นวัตถุเป็นเรื่องสะสมทุกทุกทุย ท, ท, ทีทางแล้วผู้ไดเ้เจ้าท่านสอนนี่จะเรื่องให้พ า, พากับสละทั้งนั้นสละอันส ม, มุติที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงในโลกอันนี้นะ สะละสมมุหมดหมดนี่ถ้ามันหมดไปหมดไปเข้าถึงของจริงของเดิมถ้ามันเข้าถึงของจริงของเดิมเนอะทุกทั้งหลายมันก็ค่อยหมดไปเป็นลำดับดังอธิบายเช่นเราเห็นเป็นอินทรีย์เลยเห็นเป็นอายุตระหนักพิมยึดวัตถุนวัตตัวมันก็ค่อยหมดไปค่อยหายไปมันกลายเป็นอินทรีย์ไปใช่เห็นอนายตระกไปใช อันนั้พิจารณาเข้ามาย้อนเข้ามาอีกน้อยเข้ามาอีกรวมเข้ามาอีกไม่เห็นเป็นสัจจวัคคันการถือตนถือตัวถือว่าเราเขาถืออันนี้มันจะคอยหมดไปว่าแตเป็นเดิสัจจวัคคันอย่ามาพิจารณาถึงธาตุย่อเข้ามานิดน้อยเข้ามาจนกระทั่งเห็นเป็นเปลี่ยนว่าสี่อย่างตัวตนคนเราไม่เห็นได้เปลี่ยนเท่ากับสี่อย่างคือธาตุสี่นะพีล่ลุง มันก็ค่อยหมดไปนเรื่องว่าถือว่าตนว่าตวัวก็ค่อยหมดไปหายไปจนกระทั่งพิจารณาเห็นมีสิ่งเดียวเพียงเกิดดับเกิดดับเท่านั้นนันเลยบ่มีสมมติบัญญัติสมมติก็บ่มีบัญญตับบญญ ต, บบญญติก็บ่มีการเลยยังเหลือแต่อันหนึ่งสิ่งอ น, นั้นคือความเกิดและดับไป นี่ถ้าหากเรามาพิจารณาโดยในนี้แล้วตามที่อธิบายมานี้แล้วเห็นได้ชัดว่าธรรมะคําสองบริเจ้านะเป็นเรื่องสอนในสละแทะ้ๆสอนใ้ปล่อยให้วางแท้ๆดังที่ท่านให้เราพิจารณาสติปัฏฐานสี่ใพิจารณากายให้พิจารณากายสักนิณสักตทวกาย ไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขานนรี่ถ้านอธิบายงนั้นท่าสอนต้องพิจารณาหนึ่งเห็นกายนี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาเรียกว่ากายญานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าหาพูดทั้งเรื่องเนื้อความทั้งหมดแล้วเรียกว่ากายญานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเอาสติไปตั้งไว้ที่กาย แล้วเห็นสักได้ว่ากายไม่ใช่ตัวตัวตนบุคคลเราเขาการที่ก า, กาอยากที่อธิบายมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขานะมันสักได้ว่าอันหนึ่งนะคำว่ากายนั่นเรียกว่าบัญญัติบัญญัติให้พอได้เอาเป็นที่ตั้งเป็นบ่เป็นที่ตั้งที่พิจรารณาทนนั้ถ้าบ่มีที่ตั้งบ่มีที่บ่มีจุดเสร็จแล้วสัจกจะเอายังมาพิจรารณาจะเอายังว่า พิจารณาเอาอย่างมากำหนดมันบวดได้เวทนาก็เหมือนกันอย่างทุกอย่างสุขนี่น่ะทุกเราทุกคนเราทุกวันนี้นี่น่ะมันลำบากถึงเลือกทุกทุกผู้ใดก็ บ, บทองการแลว้วก็บาดเนื้อเสกกระหักกิบปดได้ ผูได้กระบอกป่าถนาจักคนเดียวนวนกันทั้งบ้านทั้งเมืองวนอยู่ป่าอยู่ดงกับวนวนอยู่วัตถวากระบุนวนในเรื่องทุกอย่างเดียวถ้าหากเราบ่ตั้งสติไว้ที่เวิถนาคือทุกขวิถนาแล้วพิจารณาทุกขเวิถนาจนให้เห็นซักแต่ว่าข่วมทุก บัแมงไผ่ทุกนั้นบัมีข้องไผ่จะไปถือว่ามีอยู่ตัวของเราแต่จริงทั้งหลายที่จะถือว่าไม่ใช่ตัวของเราทุกไม่ใช่ของเราก็อย่างอธิบายมาแล้วเห็นเป็นเดสสักว่ า, าธาตุขันอาญตระนั้มันทุกทั้งหลายนั้นบัแมงข้องไผ่ดอกมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันกระดับของพระนี้ากําลังคิดทวนทบกลับคือแบบนี้ติ แล้ว เ, เกิดขึ้นมานั้นเคยป่วยเคยไขย้กะ น, นับข้างน้ํำฝนบัทวนเนี่ยมันไปอย่งไรเมื่อของมันมันหนีไปไว้ใสมันไปอยู่ไหนมันไปซุกซ่อนอยู่สิใด่ะมันเจ็บที่เคยเจ็บมาได้ก่อนแด่เก่าอันนี้เวลามันม า, ม า, ม, ามาได้สิใดมันมาได้บนไหนจังอาการนี้เขี้ยวเวทนาที่ทุกขเวสน า, า, ววนามาได้สิใดอันนี้นพอมีแม่มีพี่มีนอ้องมีญาติวงอย่างไรมันไม่ค่อยมาเกิด ในผู้ใดให้มันเกิดขึ้นแล้วมันกระบวมีตนมีตัวอีกศพมีแต่ซักว่ารู้สึกเฉพาะตัวเท่านั้นคนอื่นกระบวรู้สึกนะคําว่าเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บหัวปวดคล้องใครจะไปเหน็นนะมันเกิดจากธาตุมันเกิดจากหันมันเกิดจากอัตนาที่อธิบายมันนะ มันปรากฏขึ้นเกิดในที่นั้นแ ล, แล้วใจเราเป็นรูที่มันเกิดขึ้นมาที่นั้นแล้วเมื่อมันหายนะมันก็หายไปสื่อๆนี่แหละหายจริงๆคําว่าหายนี่คือบนบกปรากฏจึงเรียกว่าหายอันที่มันปรากฏนั้นเรียกว่าเกิดขึ้นตกลงก็เรียกว่าเวทนาก็ะซักแต่ยว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปอันนั่นเป็นนามธรรม ส่วนรูปประทับก็อย่างที่ว่ามันนั้นปรากฏการเพื่อปรากฏเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็สลายไปสลายไปอันส่วนที่เป็นรูปนั้นก็ไปสภาพเดิมของมันแต่คิดดูคนเรานะ่ะมีอวัยวะครบคันมีธาตุขันอายุตนะครบมัตบริบูรณ์ทุกอย่างแตเวลาตายแล้วน่ะมันก็ต้องเปื่อยต้องเนา่า แค่นั้นเปลือยมันเน่านิ้วตาโมานี้มันก็ต้องรุดต้องลุยไปมันก็เละก็เปื่อยไปเปื่อยไปใส่กับไปเป็นกี่ดินน้ําหนองน้ําเน่านั่นกับไปเป็นน้ําเละเลวไปมดไปเป็นน้ำแม้ปปนนที่ดูตั้งแต่กระดูกที่แข้งแข้งนานนานนะก็อบคูก็ลงมาเป็นดินไปจมเป็นดินของเก่ากับกร้านดินของเก่านั่นแหละอันนี้เกิดลมาได้ใส่ะ ก็ที่ดินเมื่อก่านะมาปรากฏขึ้นมาเกิดจากสังขารกรรมปรุงแต่งให้ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายโน้นวันวัเกิดทีแรกเรีย ก, กว่าปฏิสนธิตั้งแต่ปรากฏกาลละที่ว่าเป็นของเป็นนามที่ ที่มื่นมืนเลือบเลือบมึ้อเมื่อเกิดสมาธีแรกก่อนที่จะเกิดเป็นรูปเป็นกายกายแจากนั่นมาพอเป็นน้ําลางเลือดคํากายแจากนั่นมาก็เป็นก้อนเลือดกายแจากก้อนเลือดแล้วก็เป็นปุ่มเป็นปมน้ำพรทันเป็นแข้งขาเต็มที่เป็นปุ่มเป็นปมให้ก่อนพอกลางเขาก็ปันหูปันหุ่นนะนะเขาปันหูนั้นปันเป็นก้อนเลยซะก่อน อันนี้เขาก็ติดแขนติดขาติดหูติ ด, า ต, ด, ต, ดตาเอาไปนั้นนานมาก็เลยครบพันบริบูรณ์นะครับมีตาหูจมูกครบหมดบริบูรณ์ทุกิงอย่างนั่นเรียกว่ามันเกิดขึ้นมามันปรากฏการขึ้นมาปรากฏได้แปรสภาพไปแปรสภาพไปโดยแล้วครับจนกระทั่งเป็นรูปร่างอาจจะภาพตนตัวครบมูลบริบูรณ์ทุกอย่า ง, ง, งต่างๆคลอดออกมา ข้ อ, อารรมทานเล็กๆนานๆนะครับก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนเป็นผู้เป็นคนโจนเท่ากับพ่ อ, ขอเขมรเกอเหมือนกันกับพ่ อ, อเแมรทาการทํางานใดตามความผสมต้องการท่านี้เวลามันแตกมันสะาย้มืดไปเข้าท้องเก่าอะไรเงีะลงมาเป็นดินน้าไปลงท้องเก่าที่ว่าปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปมไปีเรื่อง ธรรมะคำสองพระ เ, เจ้าท่านสอนเข้ามาให้รู้จักสภาพตาเป็นจริงว่าสิ่งที่มันมีอยู่เดี๋ยวนีเน้เราเข้าไปยึดเท่านั้นละ่ะถ้าบออกไปยึดไปถือแล้วพอมีอยัง้งเกิดขึ้นระดับไปบ่แม่งของเราแล้วคิดว่าเรามันกับบุเมืนหรือคิดว่ายิงมาสายที่กับบุเมืนคิดว่าพระมณี น, นั่นีกับบุเมนืนคิว่าซื้อนั้นซื้อนี้กับบุญมือนแล้มาสมมุิเออซื้อนี้ วิธีใจยังมาบัญญัติเพื่อกระจายสมมุตินี่แหละให้เข้าถึงของจริงแต่คนเรามัน บ, บกมากสั่งตีแหละคำแปลว่าอ่านสั่นมันวิจารณาตามมันว่าเหตุตามนั่สิมาถือลั่นถือมันเนี่สยสดิแต่อันเดียวนี่แหละเมาเล้า ว, ว่าเขาว่ากลัวเหมือนเงืนสิเหมัอนละทุกข์มาได้ทีปานนี้ยิ่งถือถ้าแตมันก็ยิ่งแ น, น่นครับพี่กรรมถ้าแตมันก็ยิ่งแ น, น่นครับเป็นันตัว จึงว่าพาลาฮาโลจะลกุคโลพาลาธานังทุกขังโลเกบทุกคนแบกพาละมันก็แบกเท่านั้นเองลองคิดคิดดูดิค้องเบาๆกับกลายเป็น้องหนักไปการแบกบทุทรินเปียกน้อยๆก็สาระอย่างเราไขรแล้วกล่วยเล็กน้อยกก็ตาม ถ้าไปถือว่าจะเจ็บเจ็บอะไรแห้งเจ็บหลายนี่คมไปถือไปสิอ่ะเขามาถือเข้าไปยืดไปถือเข็ดนยังกับอะไรข้างอ่อยอ้อยย้อนสันอันนี้ความถือขั้นเขาพูถือได้ป น, น, นเจ็บก็ตั้งหัวมันมีแงก็ตามัน่ะปวดกำวนวูดวายกั บ, า ม, บมานอะหน้าที่เราจะต้องทำทำไ ป, ำไปตามไปหร อ, อหายหูรูัวดังว่ะ คนกลัวเสือไปเห็นเสือก็ตามเห็นงูก็สังพอเจ็บแข็งเจ็บขาเจ็บย่างก็ได้ก็ได้ไปได้ไปพอเห็นเสือเห็นงูก็โดดบนหัวมือควาเจ็บแจ๊กสีไหลแล่นไปสี่ไหนเพราะโบถือเพราะโบถือควาเจ็บเนี่ยคนบบถืออะไรนะลดเบาบนหัวมือตัวแจ๊กบอแลนได้ไปมือไดนก็โดดไปได้ไวไปในวิจัก นั่นความว่าถือเห็นได้ชัดนะคันข้าถือแล้วหนักเพรจะพูด้หย่ๆว่าพาลาฮาโลจพุคลโลคนเราแบกขาละพาลาทานังทุกขงังโลกเอโอ้ยมันแสนทุกแสนหนักมักที่จุดถึงว่ามาเอาธรรมะคำสองพระเจ้าเข้ามาพิจารณาบางทีขั้นถ้าผู้ใดอยากจะพนจากทุกข ตายเรืเกี่ยวกคนจะทุกข์บุญแม่นไอย้ยมาพ้นเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่นพิจารณามันเห็นชัดจนพ้นในรวงนี้ในเวลานี้ซะก่อนนี่ใ น, นเวลานี้พ้นเวลานี้ค้นหาว่าเราพิจารณาระ ง, งับดับขุมทุกข์ได้ในขณะที่เรายังปฏิบัติภาวนาอยู่นี่แหละแล้วก็เสื่ อ, อมันในตัวของเราอะตายแล้วต้องพ้นเองพ้นมากพ้นน้อยลราเห็นได้ในเวลานี้ถ้าหากว่า เราที่จะหนาบ่ได้งังแบกหาละยังหนักยังหนาอยู่แล้วเดี๋ยวช่วไปหวังตายไปได้ให้นักเก่าๆคนเราหนักจนกระทั่งว่าบู้ยุบนหมดป่งจ๊กสิไปปงไว้ให้ผู้ใดสร้อยเหวินักอกหนักใจพอนะแท้ที่จริงใจว่าได้มีตนมีตัวพม่ยังเขาไปหนักแท้กระเพาะมันแบกัน่ะ เอามาแบกมาหามามาลงไปเลยหนักว่า ม, มีตัวก็กลายเป็นของหนักนักอกนักใจมัดทวงห้อยใจจนห้อยใจจะแตกจะมัอยู่ในโลกนี่ก็อยู่ก็ขอไปได้มันหนักหลายไปบนไหนบนไหนก็มีแต่บนหนักบนขับตัวในน้อยเท่านี้ล่ะไปบนไหนขับมดแน่แนวัดเลย จนไม่อยากอยู่จากโลกจนอยากหนีจากโลกนั้นวิธีหนีของคนขับอรถนั้นมันหนีต่างคนนีน้วันนี้หนีเข้ามาปฏิบัติจริยธรรมวันทีนะ่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธญาสอนว่าหนีหนีด้วยวิธีละดีวิธีถอนอย่างที่อธิบายนี้บาเอาแล้วแบบนี้หนีแบบนั้นเราหนีไปอย่างหนึ่งไงไปปลูกคอตายไปแทงคอตายไปยิงเจ้าของตายเข้าใจว่าจะหนีจากโลก เพราะตายหนัหนกๆกันใช่ไหมที่ใฝ่ใฝ่ะตายกำลังหนัหนกๆกันสิแล้วท่านั้นแหละมุขคนทุกข์ยอ้อนดอกเขามันหนักพอเหยงแล้วมันจะผลอย่างไรอย่างไรถ้ามันเบาแต่เวลานี้หมทันตายนที่มันยังเก็บผลจากทุกข์นี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อแก้แก้มทกทุทุกข์ทุกอย่างแยกแยกเอาไปให้เป็นบัญญัติ เพื่อจะเข้าไปแก่สมมติบัญยัติใช้ชั่วข่าวเอาบรญยัติอามาใช้ยืมมาใช้ให้เข้าไปหาไปแก้อันตอนสมมุติที่เราสมมติมาจากต้นเด็ดเด็ด <c oughs> ถ้าหากเราว่าสมมติสบายเลยอันนี้มันมาสมมติกันมากมายแล้วลืมตนลืมตัวบุกเคยคิดนึกว่าอันสมมุติจะเป็นเหตุให้เราได้เกิดกิเลสความสัตย์ทุจรดต่างๆเนื้อลืบ มีตงแต่ชะสะสมกิเลสอันกลมสมมุดอให้มากมวลเพิ่มพูน้นหนาแน่นตัวตีตีเห็นในการเราฟังทำทําสอไประเอาที่ว่าเป็นเรื่องถอยกลับคืนไปหาของเดิกคือไปหาของ บ, บ่มีสมุติบัญญัตปิจาราบัญญัติถอยเข้าไปหาแกสมุติจนบ่ให้มีสมุดจึงจะหมดทุกหมดร้อนยิ่งจะเป็นทางแก้ทุกในวตาต้องสาร มีธรรมะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำในการที่อธิบายมาในวันพระก่อนแพืเข้าใจชัดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกๆคนขอจงพากันสนใจและพิจารณาโดยนายจะอธิบายมานี้ก็จะเป็นหนทางนำเนินไปหาความบริจุดหมดจดจิตใจผ่องใสสะอาดปา่ปเาปเฉดจากปุกจิเลตความเต้าหมอทองพวงเมื่อใจไอ ใสสะอาดบ่มีมความเศร้าหมองกายมันก็ะพองใสไปตามทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในกายก็หายไปตามทางคนทุกมีทางเดียวเทนี้ที่เรียกว่าทางเอกคือทางเข้าไปของหนึ่งจะอธิบายวันนี้